แปดข้ามสิบห้าข้ามถ้าเดือนดับเป็นสิบสี่ข้ามเดือนขาดก็ได้พระต้องเพศจึงกำหนดให้วันแปดข้ามสิบห้าข้ามเป็นวันธรรมมะสวนะเนี่ยทุกวันนี้ที่เราเรียกวันธรรมมะสวนะเนี่ยไม่ใช่ประเทศไทยบัญญัติเอาเองเป็นวันที่ พระพุทธเจ้าบัญญัติให้พระเทศให้โยมฟังในแปดขั้มสิบห้าไม่ได้บอกว่าเฉพาะในพรรษานะคือทั้งปีสมัยโบราณเนี่ยเขาก็เทศพระของเราก็เทศวันแปดขั้มสิบห้าัแต่ทุกวันนี้ก็ไปเทศกันในพรรษาเพราะว่าไม่มีคนเข้าวัด 8ปดค่ำสิบห้าค่ำไม่มีคนเข้าวานันหยุดราชการก็ไปหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์จึงทำให้ชาวพุทธของเราไม่ได้เรียนหนังสือธรรมะไม่ได้เรียนธรรมะเป็นคนที่มีการศึกษาธรรมะน้อยในบรรดาศาสนิกต่างๆในประเทศไทย วันอาทิตย์หยุดราชการชาวคริสต์ก็ได้ไปโบสถ์ไปเรียนคัมภีร์ไบเบิลวันศุกร์มุสลิมเขาก็ไปสุเรามามัสยิดไปเรียนอังกุรอาน แปดขั้มสิบห้าขั้มที่ชาวพุทธควรจะไปวัดชาวบ้านก็ถามหลวงพี่วันพระเมื่อไหรไ่แน่ส่วนมากก็จะดูศีรษะโกนผมมันก็เดือนละครั้งท่านนอกนั้นไม่มีใครที่จะรู้ว่าวันไหนวันพระจึงเป็นเหตุให้ พระเราเนี่ยไม่ได้สอนธรรมะเป็นเหตุให้ชาวพุทธด้วยการศึกษาแค่ถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรฝรั่งถามก็ตอบไม่ได้เราจึงจัดการศึกษาธรรมมาศึกษาบ้างเรียนในโรงเรียนบ้างเพื่อชดเชย แต่มันก็ไม่ใช่การศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตเพราะคนไม่ได้เรียนก็เยอะถามว่าเราจะให้ชาวบ้านมาเรียนธรรมะกันตอนไหนตรงนี้แหละที่ท่านทั้งหลายจะต้องระหนักว่าเมื่อแปดขั้มสิบห้ามเขาไม่เข้าวัด หรือเข้าวัดก็เป็นแต่คนที่ไม่ได้ทำงานคนที่ทำงานก็ไม่ค่อยมีเวลาเข้าวัดท่านจะให้เขาได้รับการศึกษาต่อไหนอย่าในวัดผมวัดปยุร่วงสาวาตเนี่ยเทศวันแปดขั้าสิบห้าทั้งปีผมจะเทศสิบห้าขัลูกวัดจะเทศแปดคั้และก็ทำอย่างนี้ทั้งปี บางวัดเช่นวัดชนประทานวัดมหาธาตุเทศวันอาทิตย์เปิดโบสถ์วันอาทิตย์เลย8ปดค่ำสิบห้าค่ำกรเทศวันอาทิตย์กรเทศให้คนเข้าวัดสมัยท่านกิติวุโธอยู่เปิดตำหนักสมเด็จบรรยายธรรมะทั้งวันในวันอาทิตย์ หลวงพ่อปัญญาธาก็วันอาทิตย์วัดบวรก็วันอาทิตย์แต่วัดผมต้องหลอมันไม่มีที่วันอาทิตย์เด็กก็มายึดโรงเรียนศนาวันอาทิตย์ตอนนี้กำลังสร้างอาคารสามชั้นห้องประชุมใหญ่วันแปดข้ามสิบห้าข้ามผมจะให้ไปฟังเทศในโบสถ์มันปกติ แต่วันเสาร์วันอาทิตย์ผมจะเทศเองแ่ะบรรยายเองในหอประชุมกว่าจะได้มีก็ต้องลงทุนสร้างไปตอนนี้กำลังสร้างไปหกสิบล้านบาทมันไม่ใช่ง่ายงจะให้คนเข้าวัดเอาโรงเรียนพุทธนาวาที่เป็นตัวตั้งเด็กก็ไม่เคยเขา้าไปติวเข้ามาหาวิทยาลัยกัน เอาวัดแปดข้าสิบห้าขันก็ไม่ใครเข้าก็มานึกถึงวัดอาทิตย์ซึ่งคนเข้าวัดเยอะมากแต่ว่ามาทา บ, บุญแล้วก็กลับในวัดผมคนเข้าวัดตอนกลางคืนนี่ทุกวันมาฟังสวดศพมีศาลาเกือบสิบแห่งในการสวดรถเต็มไปหมด เราก็กำหนดว่าใครจะไปสวดอภิธรรมเนี่ยพระนี่นะเอาสองจบพอที่เหลือให้บรรยายธรรมเราก็ฝึกอบรมพระนักเทศของเราแล้วให้ช่วยกันสอนธรรมะให้ญาติโยมเพราะคนเข้าวัดโดยพิธีกรรมเนี่ยเยอะ แต่ไม่ได้ธรรมะเพราะเราไม่ถือโอกาสเผยแผ่รัฐประยูนยก็เอาละให้บรรยายทีนี้สิ่งที่ผมส่วนตัวทำประจำก็คือเมื่อญาติโยมมาวัดมาทำบุญงานมงคลอวะมงคพลนี่มนผมไปเป็นประธานสง์เนี่ยไม่ว่าจะในวัดหรือนอกวัด ก่อนอยะถาสัพพีผมจะต้องกล่าวสัมโมทนียกถาสิบนาทีสิบห้านาทีก็ยังดีต้องพูดไม่พูดไม่ให้พูดไม่ไปผมจะสอนและการที่สอนอย่างนี้ก็มาจากเรื่องที่พระเจ้าบัญญัติว่าให้พระต้องเทศ เมื่อโยมไปวัดเทศนี่ไม่ได้หมายความว่าถือคำพีอย่างเดียวสัมโมธนียกถาอนุโมทนากถาก็เป็นบรรยายธรรมเหมือนกันผมจึงถือเป็นกฎส่วนตัวก่อนอยะถาสัพีไม่ว่างานใครยกเว้นงานหลวงท่านท็ไม่ได้มนเราพูดไม่ได้ถ้าเอาพระพรหมัณฑิตไปจะต้องพูดและก็เป็นที่รู้กัน ธนาคารหรืออะไรก็ตามหนราชการเนี่ยอยากจะได้ผมไปผมไม่ว่างเอาไปสวดมนต์ชั้นเพลนเขาก็นิมนต์พระในวัดให้พระมาช่วยนิมนต์ผมไปเป็นประธานและให้ผมช่วยเทศพระก็มัแค้นผมหนิเพราะถ้าผมรับไปที่บริษัทนี้ที่โรงงานนี้เขานิมนต์อีกแปดรูปในวัด แต่มีข้อแม้ว่าต้องให้เจ้าว่าคือผมที่ไปเป็นให ญ, ญ่ก่อนหรือหลังก็ได้พระก็ได้รับนิมน ด, ด้วยก็มาเป็นหน้าหมาหลวงพ่อไปนู่นไปวัดไปวัดนี้บริษัทนั้นบริษัทนี้จนเป็นที่รู้กันโดยมหาเทรสมาคมได้กำหนด ให้พระต้องกล่าวอนุโมทนาเนี่ยสิบถึงสิบห้านาทีเป็นมติมสอสมาตั้งผมว่ายี่สิบกว่าปีละตั้งแต่ก่อนผมเป็นมหาเถรสมาคมเพราะท่านห่วงว่าเราจะไม่ให้ธรรมาฐานจจยถาสัพีอย่างเดียวไม่ได้ต้องกล่าวอนุโมทนาเป็นภาษาไทยอันนี้เป็นมติมหาเถรสมาคมผมอยากให้พระธรรมทู หรืออาจจะท่านอาจจะทราบแล้วก็ได้ได้ดูมตินี้และผมก็ถือปฏิบัติไปงานไหนแม้แต่งงานแต่งท่านให้พรเจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นภาษาบาลีเียวกรจะหรือหลังจากให้พรก่อนพรมปราบพรมพุทธมนต์ผมก็จะต้องให้ อ, อวาอ่ะและการให้ อ, อวาตมันก็จะเป็นชุดชุดงานแต่งพูดอย่างนี้ งานตายพูดอย่างนี้งานวันเกิดอย่างนี้เมื่อวานผมไปเทศงานวันเกิดแปดสิบปีพระเดชพระคุณพระพรหมวชริยานกรรมการมหาเถรสมาคมที่วัดยาณวากผมไปเทศเขาจะให้เวลาเท่าไหร่ไม่รู้ผมเทศไปชั่วโมงหนึงอ่ะอัดเต็มที่วันเกิดก็ต้องพูดอย่างนี้วันตายอย่างนี้ ฉะน้นในฐานะที่ท่านทั้งหลายเป็นพระธรรมทูธผมกำลังพูดสองเรื่องเรื่องที่เอ่อเรื่องที่หนึ่งเสียงแหบน ะ, ะเมื่อเช้าไปเทศบาลหนึ่งงานแล้วเป็นภานษาอังกฤษประชุมนานาชาติมากันสิบห้าประเทศผมไปเปิดแล้วเขาให้บรรยายเขาให้ผมครึ่งชั่วโมงผมพูดไปห้าสิบนาทีกำลัง มองนาฬิกาผมเลยหยุดเรียนภาษาอังกฤษที่ขอจดหมายเหตุพุทธธาตุท่านพุท ธ, ธาตก็นี่งานที่สองเดี๋ยวยังมีงานที่สามอีกทาหน้าที่สองอย่างครับในฐานะพระธรร ม, รรมทูตคือเป็นสื่อผู้ให้ธรรมะเนี่ย หลายลูกผมนั่งฟังเนี่ยกำลังมาฝึกนะมือใหม่หัดขับบางท่านอาจจะไม่มีใจรักในการเทศในการเผยแผ่แต่เขาก็ให้ทำหน้าที่พระธรรมทูตเพราะท่านเป็นเจ้าคณะแล้วก็บอกว่าตัวเองไม่ถนัด ทั้งๆ ท, ที่มันเป็นหน้าที่ที่ท่านจะต้องให้ธรรมะคือเผยแผ่ผมก็บอกกับท่านทั้งหลายว่าตกลงนี้คือผมมาพูดงานอะไรเนยเ อ, อถูกแล้วพระธรรมทูต อ, อรั้งก่อนมาอบรมเจ้าอาวาสตรงนี้อะไรครับให้พูดเรื่องเผยแผ่กัะเดี๋ยวมันจะตีกันพระธรรมทูตโดยตําแหน่งโดยหน้าที่ เขาไปผูกกับการปกครองเพราะฉะนั้นบางรูปบางท่านก็เลยทําแบบงานอดิเรกงานฝากไม่ใช่งานหลักงานหลักคือปกครองคือก่อสร้างคืออะไรอันนี้เขาฝากแม่กองงานพระธรรมทูตหัวหน้าสายพระธรรมทูตเป็นใครเรายังไม่ค่อยรู้เลยท่าน รู้ไหมนหน้าสายของท่านหน่มรณภาพหรื อ, อยังท่า น, นปีทีหดที่จะเจอหน้ากันเขาโดยโดยปกติท่านเป็นเจ้าคณะผู้ปกค ร, รองเจา้าคณะภาคเจ้าจังหวัดเราจะรู้จักท่านในในตำแหน่งนั้นแล้วเวลาให้สมณศักดิ์เขาก็ไม่ได้ให้ว่าเพราะท่านทำงานพระธรรมทูต ฝ่ายเผยแผ่นะเขาให้ในฐานะเจ้าคณะให้ก่อนผมพูดได้เพราะผมเป็นมสอนนี่ผมก็ให้ท่านอย่างนั้นนี่ใ น, นปีทีหนจะเห็นฝ่ายเผยแผ่นี้ขึ้นมาในเรื่องสมณศักดิ์แต่พอดูพระบาลีนี้แล้วเนี่ยงานเผยแผ่เป็นงานหลัก งานอื่นเป็นงานรองหมดไปถามรัฐบาลว่าเขามีพระเอาไว้ทำอะไรไอ้ที่ให้ท่านเจริญในพระศาสนารับภาระธุระพระศาสน า, า, ส า, สนาเวลาสมสาปนาตั้งสมณศักดิ์เนี่ยขอพระคุณจงรับภาระธุระพระศาสนาเนี่ยระงับอธิกรอะไรก็ตามที่เขียนไว้เนี่ย เพื่ออะไรรัฐบาลเขอต้องการให้เราสอนประชาชนให้มีศีลธรรมเป็นคนดีมีศีลธรรมแล้วทำไมเราจะต้องรับรับภาระธุระในการปกครองให้ดีก็เพราะว่าถ้าปกครองไม่ดีพระใต้ปกครองประพฤติไม่ดีแล้วคนเสื่อมศรัทธาคมเสื่อมศรัทธาแล้วเขาจะไม่เข้าหาพระศาสนาแสดงว่าเผยแผ่มันก็จะล้มเหลว ปกครองก็เพื่อให้มันดีงานเพื่อเผยแพร่ศึกษาเพื่ออะไรนะครับงานทั้งหมดเนี่ยให้ท่านทำเนี่ยนะครับงานคณะสงฆ์เนี่ยในมุมมองของชาวบ้านของรัฐบาล ท่านต้องปกครองให้เรียบร้อยเพื่อรักษาศรัทธาของประชาชนไม่มีอธิกรณ์ไม่มีอะไรอ่ะจัดการศึกษาให้พระเรนรได้เรียนสาส า, าศึกษาเพื่อให้ไปสอนชาวบ้านไปเผยแผ่ศึกษาสงองข้อก็คือช่วยเด็กให้ได้ความรู้ได้ธรรมะเผยแผ่ก็ตรงๆเลยขเขาเรียกเผยแผ่โดยตรง ปกครองคือเผยแผ่โดยอ้อมศาสนาศึกษาคือเตรียมคนไปเผยแผ่ศึกษาสงเคราะห์ก็คือเผยแผ่โดยตรงโดยผ่านการศึกษาสาธารณรูปการสร้างวัดเพื่อให้คนเข้าวัดเข้าวัดมาทำไรครับเผยแผ่สาธารณสงเคราะห์ทำไมต้องไปช่วยชาวบ้านเวลาน้ำท่วมไฟไหม้ก็เพื่อที่จะรักษาคนไว้ในพระพุทธศาสนาถ้าท่าน ลำบากถ้าชาวบ้านลำบากระบบน้ําท่วไฟไหม้แล้วไม่เคยเห็นหน้าพระเลยเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะบมดเวลาปกติผมไปให้ท่านเห็นหน้านะไปทําบุญใส่บาตรนะแต่เวลาผมเดือดร้อนน้ำท่วงผมเนี่ยเห็นมีแต่ศาสนาอื่นเท่านั้นแหละเขามาแจกของรู้ว่าผมจะพึ่งพวกท่านพวกท่านหายหน้าหมดต่อไปผมก็ไม่ไปให้ท่านเห็นหน้าแล้ว น้อยใจศาสนาอื่นก็ถือโอกาสตอนที่ญาติโยมและเดือดร้อนสึนามิก็ดีน้ําท่วมก็ดีไฟไหม้ก็ดีดึงเอายมเราเนี่ยไปเข้าศาสนาอื่นอย่าว่าแต่ในประเทศไทยเลยสึนามิในประเทศไทยนะครับไปศรีลังกาพระศรีลังกาบอกว่าสึนามิมาเนี่ยคนตายไปสี่หมื่นโบสถ์ ของเราวัดวาอารามของเราพังหายไปหมดในศรีลังกาสิ่งที่ขึ้นมาแทนคือโบสถ์คริสเพราะอะไรพอน้ำท่วมพระไม่มีกำลังพอที่จะไปช่วยชาวบ้านศาสนาคริสครับเอาเงินมามหาศาลมาช่วยคนศรีลังกาที่เดือดร้อน ปรับไมโครโฟนให้ผมหน่อยได้ไหมครับผมเสียงไม่ค่อยดีวันนี้เพราะฉะนั้นพอซนามิมา ส, าสนาอื่นนี่นะครับเขาแข่งฟุตบอลนัดเดียวเพราะเขาเขาเป็นเจ้าของสนามในยุโรปหรือในอเมริกาเก็บค่าดูฟุตบอลเนี่ยครั้งเดียวได้ตั้งร้อยล้านบาท เอาไปช่วยน้ำท่วมศรีลังกาดูซึนามิไปในาน้ำศาสนาเขาผลคืออย่างไรครับญาติโยมประทับใจกับงานสาธารณาสงเคราะห์อของาศาสนาอื่นเปลี่ยนาศาสนาแล้วที่ที่เคยเป็นวัดสร้างโบสถ์คริสเลยพระลังกาก็มาบ่นกับผม พระไทยมีสตังเยอะไปช่วยโยกศีกรษะในสิพวกเขาก็แย่มาบอกผมในฐานะอธิการบดีไปช่วยงานสาธารณสงครอะนี่นะครับเพื่อรักษาคนไว้ในพระศาสนาของเขาซึ่งเราได้รับบทเรียนนะครับเกือบจะสายเหมือนกัน ชาวเขาครับบ้านเราผมเนี่ยส่งพระเมื่อกี้ท่านก็มาคุยกับผมอยู่ที่กัลยาณิวัฒนาเป็นนิสิตบัณฑิตอาสาเป็นชาวเขาช่วยสอนตามอาสมต่างๆดึงชาวเขาให้อยู่ในผู้ศาสนา ทุกปีเนี่ยผมจะเป็นเวลาเกือบเกือบสิบห้าปีแล้วครับผมจะขึ้นดอยปีที่แล้วผมก็ไปท่อกระถินสร้างอาคารใหญ่โตไว้ที่ห้วยบงชื่ออาคารพระพรหมบัดิตหกสิบปีพระพรหมบดิตเป็นศูนย์ศูนย์ประสานงานพระบดิตอาสาหมดไปหกล้านบาทบนดอยด้วยหลังใหญ่เลยครับไปสร้างไว้ตรงนั้นตรงนี้พอผมไปผมก็เห็น ไอ้ที่ลาบากลาบนเนี่ยนะพวกเราไปอาศาอยู่กันหมู่บ้านที่เจริญติดถนนใหญ่เข้าไม่ได้ไปสอนไม่ได้โรงเรียนดีๆก็สอนไม่ได้ผมก็ถามว่าทำไมทำไมท่านมาอยู่นี่บนดอยนี่ไอ้เชิงเขาติดถนนเนี่ยทาไมท่านไม่ไปสร้างวัดไม่ไปสร้างพระพุทธรูป เขาก็บอกว่าสายไปแล้วหลวงพ่อาศาสนาอื่นเนี่ยเข้ามายึดหมดแล้วดูหลวงพ่อดปปูประตูทางเข้าเป็นรูปไม้กางเขนหมดแล้วทั้งหมู่บ้านเป็นศาสนาอื่นหมดแล้วกว่าพระเราจะตื่นตัวมาเผยแผ่เนี่ยเขาเอาเงินมาทุ่มช่วย สาธารณสมคร์เนี่ยดึงคนเข้าห า, าศาสนาไปเท่าไหร่ฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะครับ <c oughs> ผมส่งนิสิตไปไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ไปอย่างเดียวไปสำรวจขาดอะไรช่วยอยากสร้างอะไรบอกส่งเงินไปช่วยด้วย มีแกนนำชาวพุทธที่เป็นชาวเขาเด็กบนที่สูงจบม .6 แล้วอยู่กันเฉยๆไม่ทำอะไรผมก็บอกว่าเอาแล้วทำไมให้ไม่ให้เขามาเรียนน่ะเรียนมาหาจุฬาสิแพงหลองพ่ออธิการให้เขามาอยู่เราต้องมีหอพักต้องมีค่าเดินทางและเขาต้องไปกลับ ทุกสัปดาห์ใช้ทุนการศึกษาผมบอกไม่เป็นไรล่ะบอกวิทยาเขตเชียงใหม่เปิดหนึ่งห้องรับหกสิบคนห้าสิบคนเป็นชาวเขาล้วนๆเดี๋ยวผมหาค่าเรียนให้ไม่ต้องจ่ายค่าเรียนให้ทุนทุกคนผมก็ถามว่าปีหนึ่งต้องการทุนเท่าไหร่ไม่นับค่าเรียนนะค่าเรียนยกให้เขาไปเลยค่ากินค่าอยู่ค่าที่พักค่าอาหาร เขาบอกแปดพันบาทได้เดี๋ยวผมหาโยมให้ผมก็หาเจ้าภาพให้ปีแรกหกสิบคนห้าสิบคนนะ่ะคนละแปดพันพอขึ้นปีสองไอปีปีหนึ่งมาอีกแล้วห้าสิบเป็นร้อยแล้วทนผมก็ให้หนึ่งร้อยทุนมาปีนี้บอกร้อยห้าสิบหรือร้อยเจดสิบสามปี ผมก็ต้องหาให้อีกเนละไม่เกี่ยวกับงบมานมหาจุลานะครับหาเขาไม่ให้ครับผมต้องไปบอกบุญญาโยมปีหนึ่งถ้าครบสี่ปีอาจจะร้อยแปดสิบถึงสองร้อยคนทุกคนต้องมีทุนการศึกษาถ้ากินค่ายอยู่คนละแปดพันผมก็ต้องหามาอันนี้บวกอะไรครับข้อสาม ศึกษาสงเคราะห์เราไม่สงเคราะห์ด้วยการศึกษาเด็กมันก็ไปหาุนที่ศาสนาอื่นเข้าศาสนาอื่นหมดผมก็ลองทำนำล่องดูครับเรามีกำลังทำได้อย่างนี้ก็าทาอย่างนี้หลายท่านอาจจะมีกำลังมากกว่าผมก็ทำไปเถยครับแต่ถามว่า ที่ทาเนี่ยมันเป็นเผยแพร่ไหมเผยแพร่ที่ครับแต่ถ้าเราไม่มีศึกษาสมครา์ไม่มีสาสาธารณะสงเคราะห์สู้เขาได้หร อ, อฉะนั้นการเผยแพร่เนี่ยผมจึงถือว่ามันมีทั้งเชิงรับและเชิงรุกเชิงรับคือขึ้นธรมธรมเทศเขามาวัดวันธรรมม ส, สวรรค แปดค่ำสิบห้าค่ำเราตั้งรับแต่ถ้าเชิงรุกเขาไม่มาเราก็ต้องไปหาเขาอย่างที่ผมรุกขึ้นไปบนดอยเพราะศาสนาอื่นเขาก็รุกผมก็อาศัยงานศึกษาสมเคราะห์งานสาธรูปการงานสาารณาสมเคราะห์เนี่ยเป็นตัวเชื่อมในการเผยแผ่ อย่างที่ผมไปสร้างอาคารพระพรหมดิติตบนดอยเนี่ยเป็นสานุปการแต่มันก็เป็นลักษณะเผยแผ่ด้วยฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่ามองการเผยแผ่อยู่ที่งานเดียวคือเผยแผ่ในฐานะพระธรรมทูตนะครับแล้วท่านก็ไปบันทึกว่าผมทำเผยแผ่อยู่เรื่องเดียวคือข้อ4ี่เป็นเชิงรับครับ ผมอยากให้พวกเราเนี่ยตระหนักว่าเราต้องทำเชิงรุกกันแล้วครับเชิงรุกหมายความว่าอ้างงานอื่นเป็นสื่อเพื่อให้เกิดการเผยแพร่โดยอ้อมโดยตรงเนี่ยคืองานที่สี่โดยอ้อมคือ งานปกครองงานาศาสนศึกษาศึกษาสงเคราะห์สรุปการศาสนสงเคราะห์และพระสังฆาธิการก็ดีพระธรรมทูตก็ดีเวลาทําเผยแผ่เนี่ยให้ทำมาทั้ง6 ห, หลักอย่างนั่นแหละท่านาศาสนาสงเคราะห์เพราะอะไรไม่ใช่ท่านไม่ใช่กรมประชาสงเคราะห์นี่ครับแต่ท่านไปสงเคราะห์ชาวบ้านเพื่อให้เขาเข้าถึงธรรมะท่านแจกทุน มีข้อไหมว่าเขาต้องเรียนธรรมะผมบอกกับเด็กชาวดอยว่าถ้าเธอรับทุนเธอจะต้องสังกัดอาสมใดอาสมหนึ่งเป็นวอร์รนเทียเป็นอาสาสมัครเป็นแกนนำชาวพุทธไม่ใช่มาเรียนหนังสืออย่างเดียวต้องมีภาคปฏิบัติ ด, ด้วยเอางานสาธารณาสงเคราะห์ศึกษาสงเคราะห์เป็นเครื่องมือดึงเขาเข้าหาพระศาสนาเด็ก ในผนกลางครับผมเสียดายปีหนึ่งเราแจกทุนการศึกษาเป็นร้อยล้านนะครับรวมกันไปเนี่ยผมเป็นเจ้าคณะภาคผมไปรวมอยู่ในมหาชสมาคมผมเห็นรายงานผนกลางยีบสอจังหวัดเราแจกทุนการศึกษาซึ่งเป็นต้องเลื่อนต้องแจกนะครับผนกลางเนี่ยไม่แจกท่านไม่ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ปีหนึ่งร้อยล้านบาท ร้อยล้านบาทแจกเงินอย่างเดียวโดยไม่เอาเขามาสอนธรรมะเนี่ยเราเสียโอกาสไปเท่าไหร่แล้วเขาจะมากระตันยูพระศาสนาแค่ไหนถ้าเราไม่กรอกหูปลูกฝังธรรมะเข้าไปมันคืองานพระธรรมทูตนั่นแหละครับใช้งานศึกษาสงเคราะห์เป็นเครื่องมือในการสื่อธรรมะท่านเป็นธรรมทูตอบรมมันสิครับ เราไม่ใช่กรมประชาสมเคราะห์ที่เอาของไปแจกน้ําท่วมไฟไหมเราเอาของแจกเพื่อเป็นข้ออ้างในการแจกธรรมะอามิสทานเป็นเรื่องของชาวบ้านแต่เมื่อชาวบ้านเดือดร้อนเราก็ให้อามิสฐานบวกธรรมทานเพราะฉะนั้นปกครอง ศ, ศ, ศึกษาศึกษาศึกษาสมเคราะห์อะไรต่างเนี่ยนะครับจากรูปการนะมันคืองานเหล่านี้บวกธรรมทานเสมอถ้าท่านคิดว่าท่านบวกธรรมทานเข้าไปเนี่ยนะครับ ท่านทำงานเผยแผ่โดยอัตโนมัติครับต่อให้ท่านเป็นเจ้าคณะท่านก็ต้องเผยแผ่เพราะธรรมทานมันต้องบวกเข้าไปผมเนี่ยนะครับไปตรวจงานคณะสงฆ์ในภาคผมภาคสองเนี่ยผมก็จะต้องบรรยายผมไม่ได้ไปว่านำไว้พระสวดมนต์นะประชุมพระสังคาทธิการแต่ละครั้งก็ดีผมก็ต้องไปบรรยาย ผมก็ให้ธรรมทานแก่พระสงฆ์ให้ผมไปสวดมนต์ฉันเพรในภาคสองอย่างเดียวผมไม่ไปผมจะต้องบรรยายด้วยกล่าวสัมโมตนิยกรฐานหรือไม่ก็ไปเทศไปบรรยายจนเขารู้ ก, กันหมดแล้วจนเกือบจะไม่ในมตนผมอยู่แล้วเพราะไม่ว่าอะไรแต่ถ้าไปผมต้องทำประโยชน์ในเรื่องของให้ธรรมทานด้วยฉะนั้น ธรรมทานที่ว่าในคาถาแรกเนี่ยนะครับที่ผมอ้างมาเขาเรียกภูการสูตรเนี่ยท่านจึงอธิบายว่าคําว่าอุภูอัญโยน์ยานิสิตาต่างอาศัยกันและกันหมายความว่าคฤหัสผู้มีเรือนอาศัยธรรมทานของพระสงฆ์ส่วนบรรพชิตพระสงฆ์ไม่มีเรือนก็อาศัยอามิสทานของคฤหัสผมพูดเรื่องเผยแผ่ด้วยคําว่าธรรมทาน แล้วท่านจะให้ธรรมทานตอนไหนก็ปเป็นเรื่องของท่านจะเป็นธรรมะสูงธรรมะมเตี้ยเป็นสนทนาธรรมก็ได้นี่คือเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองครับวิธีการบ้างเมื่อกี้ผมฟังพวกท่านพูดอบรมอะไรต่างฝึกกันเนี่ยบางท่านอาจจะไม่เพิ่งมาเริ่มฝึก ท่านจะต้องบริหารการเผยแผ่คือเผยแผ่เองก็ได้เทศเองก็ได้บรรยายเองก็ได้แต่ถ้าเรามีคนอื่นที่เขาเทศดีกว่าบรรยายดีกว่าทําไมท่านต้องเหนื่อยนะครับท่านก็จัดการให้คนอื่นเผยแผ่แทนสิมันก็เป็นผลงานท่านน่ะท่านเป็นพระธรรมทูตท่านจัดอบรมประชาชนอปตอ ก็เป็นผลงานท่านแหละแล้วท่านเทศเองเหรอแค่เปิดกระพอนอกนั้นก็ให้คนเก่งๆเขาเทศเพราะฉะนั้นอลังการตุงเทศเองก็ได้เผยแผ่เองก็ได้อลังสังวิทาตุงจัด ก, การให้คนอื่นเผยแผ่แทนก็ได้ถือว่าเป็นงานหมดถ้าท่านเป็นเจ้าคณะเป็นเจ้าอาวาสต้องให้ในวัดของท่านใน ม, มีการเผยแผ่ เผยแผ่โดยตรงก็ได้โดยอ้อมก็ได้และในการเผยแผ่นั้นทําเองก็ได้หางบประมาณสนับสนุนให้คนอื่นทําก็ได้ท่านต้องเผยแผ่นะครับเพราะอะไรเพราะผมถามท่านหน่อยถ้าท่านจะก่อสร้างเนี่ยถ้าจะเอาเงินที่ไหนมาสร้างกุฏิสร้างวิหาร ซ่อมโบดให้เอาเอาปัจจัยมาให้ท่านซ่อมโยมครับโยมเขาจะเอาปัจจัยมาให้ท่านซ่อมได้ยังไงถ้าท่านไม่ให้ธรรมะแก่เขาเขาจะให้ปัจจัยแก่ท่านมาจัดงานประชุมพระสังฆาธิการมาเลี้ยงเพลงไหมในงานปกครองของท่านถ้าท่า น, านอาสาบอกว่าหลวงพ่อเจ้าหน้าจงหวดครับมาประชุมเทวัดผมนะครับผมหาเจ้าภาพเลี้ยงเพลง ท่านจะไปหาโยมมาเลี้ยงเพลิได้ทุกปีได้อย่างไรถ้าท่านไม่เผยแผ่เขาไม่ศรัทธาท่านท่านจะหาโยมมาเลี้ยงเพลิพระสวบนักธรรมสอบบาลีในงานสาสนศึกษาได้อย่างไรถ้าท่านไม่เผยแผ่ท่านจะหาทุนศึกษาสงเคราะห์อย่างที่ผมหามาให้ปีละเป็นร้อยๆทุนเนี่ยได้อย่างไรท่านถ้า ผมไม่ใช่นักเทศนักเผยแผ่และผมและท่านทั้งหลายเนี่ยจะก่อสร้างจะซ่อมแซมวัดสาธารณการเอาเงินมาจากไหนท่านถ้าท่านไม่ใช่นักเทศนักเผยแผ่สุดท้ายไฟไหม้น้ําท่วมท่านจะไปสงเคราะห์ชาวบ้านได้กี่ครั้งถ้าท่านไม่มีวิธีหางบประมาณ ท่านจะไปลองหมามันจากกรมศาสนาสำนักพุทธมันมีถ่ทังทั่วประเทศสามหมื่นกว่าวัดเขาไม่ให้ถล่มเพราะฉะนั้นในฐานะพระธรรมทูตถ้าท่านผมรู้ที่ท่านไม่เคยมีผลงานหรืออะไรกันเนี่ยสรุปแล้วมันไม่มีเงินไม่มีงบประมาณผมรู้จุดอ่อนของนักเผยแผ่ทั้งหลายที่ทำงานไม่ได้เนี่ย คือไม่ถ้าเขาเรียกอะไร mm hmm. เทศได้กันเทศแค่นั้นแหละแต่ไม่สามารถจูงศรัทธาของประชาชนให้ไปสนับสนุนงานปกครองงานสาธารณศึกษาหรืองานสาธารณสุเคราะห์บางรูปเทศเก่งครับแต่ไม่แต่ได้เฉพาะกันเทศส่วนตัวไม่สามารถจะระดมทุนเอาไปใช้เพื่อการอึก แต่ผมสร้างมหาจุฬาวังน้อยเนี่ยครับท่านไปดูตั้งสิบยี่สิบปีมาแล้วนะครับกลางทุ่งเลยไม่มีเงินและรัฐบาลไม่ให้เลยมีโยมบริจาคที่แปดสิบสี่ไรผมจะสร้างมหาจุฬาขึ้นมาในกลางทุ่งผมไปสองเมตรโดยรัฐบาลไม่ให้เงินเพราะมันเป็นยุค IMF ไม่มีสาตา จาก84ไร่ผมซื้อเพิ่มไร่ละหนึ่งล้านหนึ่งล้านรวมแล้วเป็น323ไร่รัฐาบาลไม่ให้เงินซื้อเลยหาเองสามร้อยกว่าไร่ใช้เงินก่อสร้างไปประมาณสามพันล้านบาทเอาเงินมาจากไหนท่านตอนแรกรัฐาบาลไม่ให้เลยผมก็กัดฟันเผยแผ่นี่แหละครับออกทีวีออก TV, อะไรต่าง โยมมาช่วยกันสร้างพอสร้างไปสักพักหนึ่งรัฐบาลเริ่มมีเงินพ้นยุคไ m f อมมันก็แบ่งครึ่งกันรัฐบาลให้ครึ่งหนึ่งผมหาครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นในสามพันล้านเนี่ยคือผมหามาประมาณพันห้าร้อยล้านโดยที่ผมไม่ได้เป็นเกจิอาจารย์แค่เทศ์อย่างเดียวครับ <c oughs> ผมจึงเข้าใจเลยว่า ถ้าเราไม่ใช่นักเผยแผ่ไม่ใช่นักเทศนักสอนทำงานไม่ได้ท่านอยากรู้ว่าผมสร้างไงท่านไปดูที่วังน้อยหรือท่านอาจจะรู้แล้วก็นเลโดยที่ผมตรักว่าสร้างมหาวิลลยให้มันสวยงามคนมันจะแห่มาเรียนกันเอง สาธารณูปการการออกแบบนะครับตอนหลังเนี่ยสำนักงบประมาณรัฐบาลมามาเริ่มช่วยและพอผมสร้างไปสักสี่ห้าปีลำบากละบนพอผมเห็นเห็นผมสร้างจริงขึ้นมาหนึ่งในอาคารที่สร้างออกมาสวยงามก็คือเป็นงบบริจาคจากวัดปากน้ำนะเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เนี่ยท่านช่วยทั้งหลังเลยเจ็ดสิบกว่าล้าน พอเราสร้างด้วยความยากลำบากหาหาเองเนี่ยรัฐบาลมาช่วยรัฐบาลบอกท่านมันแพงสำนักงานอาธิการบดีก็ดีขอสมุดที่วัดปากน้ำช่วยทำไมมันต้องเจ็ดสิบล้านขอสร้างเป็นกล่องไม้ขีดสามสิบล้านจะหางบมาให้ผมบอกผมไม่เอาผมจะต้องสร้างเป็นทรงไทยให้มันสวยงามให้เขาเห็นปุ๊บ นึกว่าเป็นวัดทันทีวัดมันต้องมีหน้าจัว่วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเหมือนพุทธรูปเนี่ยสามเหลี่ยมเนี่ยสร้างไปกรองไม่ขีดผมไม่เอาเขาก็เลยให้ผมครึ่งเดียวไม่องั้นถ้าเกิดผมยังยืนยันสร้างเหมือนเขาบัด น, นี้มหาจุฬาก็ไปกล่องไม่ขีดหมดเหมือนโรงเรียนมัธยมนั่นผมไม่เอามันก็เลยเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ทั้งหอประชุมทั้งโบสถ์กลางน้ำเทนี้พระมาช่วยกันใหญ่กลายเป็นว่าทั่วโลกแห่กันมาเรียนท่านจัดประชุมที่สาขาบูชาโลกในหอประชุมเราจุดได้สามอันเพิ่งเสร็จไปประชุมที่ u ูเอท่านก็คงทราบโดยผมเอาสาธรุนุปการเป็นการเผยแผ่สร้างให้สวยงามคนก็เข้าวัด ผมเป็นเจ้าวาดวัดประยุรวงศ์สาวาสวัดประยูนยเป็นวัดนักเทศท่านก็ทราบ ม, มีพระนักเทศนักเผยแผ่เยอะมากมาเป็นวิทยากรที่นี่กหลายรูปแต่วิสัยของนักเผยแผ่เนี่ยก็คือได้แต่ไปเผยแผ่นอกวัดท่านในวัดเนี่ยเสยนาสะนะมันโทม เจดีจะพังพราะผมเป็นเจ้าวาดผมก็บอกว่าผมจะต้องทำสาสารูประการผมจะยกตัวอย่างนะครับว่าสานาประการเนี่ยมันเป็นเปนการเพื่อการเผยแพร่อย่างไรผมให้ท่านดูรูปสักหน่อยนี่ครับเจดี JD มันเก่ามากครับสูงหกสิบเมตร สมัยนั้นนี่สูงที่สุดในกรุงเทพมหานครสมัยนี้สูงันดับสองครับแพ้วัดปากน้ำครับแต่เราคลองแชมป์มา180ปีกันแล้วกันยอมวัดปากน้ำวัดเดียวที่เห็นเนี่ยนะครับ100หกสิบเมตรครับสูงหกสิบเมตรมันจะพังแหล่ไม่พังแหล่ครับ ถ้าเราก็ไม่มีปัญญาซ่อมร้อยแปดสิบปีไม่เคยซ่อมใหญ่ได้แต่ทาสีครับทาสีขาวเนี่ยเพราะผมเป็นเจ้าวาดครับผมจะยกตัวอย่างว่าอาศัยงานไหนก็ได้ครับเพื่อการเผยแผ่ผมยัพูดในประเด็นนี้ทําเองก็ได้อาลังการตรงหรือสั่งให้คนอื่นทําก็ได้ผมเป็นเจ้าวาดผมก็สั่งให้คนอื่นทําเลยครับมันดีตรงนี้ในการเป็นเจ้าวาดเนี่ยนะครับ แต่บางอย่างสั่งแล้วเขาก็ไม่ทำนเดี๋ยวจะไล่าใ้ฟังโอโอกเจ้าว่าเพราะเพราะเจดีเนี่ยนะครับมันทำท่าจะพังพังยังไงครับฝนมันชะตกลงมาเนี่ยไอข้างนอกผิวเนี่ยมันแตกน้ำมันซึมเข้าไปเอามือเนี่ยใส่เข้าไปได้รอยร้าวเนี่ยนะครับ และถ้าฝนตกบ่อยๆเนี่ยมันจะอุ้มน้ําอุ้มน้ําแบบพระาธาตุพนมนั่นแหละครับแล้วมันก็พังเราจะต้องปิดรอยแย่อะไรไม่อะไรเจดีผมเอียงอีกครับเอียงไปทางแม่น้ําเจ้าพยาผมให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากระบังเนี่ยให้คณ ะ, ะวิศวกรร ม, มศาสตร์สถาปันวิท ร, ร ม, มศาสตร์มาวัดว่ามันเอียงเท่าไหร่เอียงไป ร้ 120, อยยี่สิบเซนหนึ่งเมตรกับยี่สิบเซนครับเป็นเมตรเลยครับเอียงไปเมตรยี่เมตรกับยี่สิบเซนเอียงเมตรเศษๆกันลวกันพระด้วัดก็บอกไม่ต้องซ่อมเลุงพ่อจเจ้าว่าให้มันเป็นหอเอนปิซ่า อันซีนไทยแลนด์ผมก็บอกว่าทิ้งไว้นานคนก็จะไม่ได้เห็นเพราะมันจะหายวับไปกับตาพังนะดิซ่อมดีกว่าผมเป็นเจ้าวาดปี 2,148 2,549 ผมประกาศซ่อมเจดีผมเลยครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าเจดีพังนะครับ ตำแหน่งจเจ้าวาดมันก็อยู่ไม่ได้นะครับองค์นี้จเจ้าวาดวัดนี้เอาแต่ไปเ ท, เทศนุ่นไปทั่วโลกวัดวาไม่ดูเลยเจดีล้มทับผมเบนแต่แตกครับผมใช้หลักอย่างนี้นะครับในการตัดสินเขาเรียกว่าหลักยี่สิบแปดสิบหลักยี่สิบแปดสิบเนี่ย เป็นหลักของนักเศรษฐศาสตร์อิตาลีชื่อปาเิโตโ้เขาบอกว่าเขาพูดมาเมื่อร้อยห้าสิบปีมาแล้วครับเขาบอกว่าในประเทศใดก็าตามในโลกนี้คนยี่สิบเปอร์ซนของประเทศนั้นเป็นเจ้าของความทรัพย์สินความมั่งคั่ง รวมกันแล้ว8ปดสิบอยู่ในมือที่ดินก็นดีเงินท้องก็ดี8ปดสิบซของทั้งประเทศอยู่ในมือของคนเพียงยสอร์พวกเจ้าสัวทั้งหลายลยส่วนคนอีกแปดสิบอร์ซนน่ะคนอีกแปดสิเปอร์ซ็นเป็นเจ้าของทรัพย์สินเพียงรวมกันแล้วยี่สิบอร์ซพวกท่านนี่อยู่ในปเปอร์เซ็นต์ไหนครับ ทรัพย์สินวัดใหญ่ๆทั้งหมดนี่เป็นเจ้าของเงินทองทั้งหมดเนี่ย 20% เป็นเจ้าของทรัพย์สินของวัดนี่กี่เปอร์เซ็นต์ครับ 80% ครับวัดใหญ่ๆเอาไปกินหมดส่วนอีก 80% เนี่ยนะครับทําบุญกันทั้งประเทศเนี่ยนะครับได้ 20% พวกท่านอยู่ในวัดประเภทไหนครับผมนี่วัดประยุนนะครับ <laughs> ผมน่าจะอยู่กลุ่มเดียวกับวัดปากน้ํำ <laughs> อยู่ในกลุ่ม20เป็นเจ้าของ80พระอ า, ารามหลวงอะ่ะส่วนวัดราชก็ลอก้อกฐินลออะไรไปสิครับนี่เขาเรียกว่า80 20ทีนี้เอามาใช้กับอะไรครับการทำงานครับท่านเป็นเจ้าวาดเจ้าคณะพระในวัดของท่านก็ดีชุมชนก็ดีเนี่ยรวมผลงานในวัดในชุมชนทั้งหมดเนี่ยเป็นร้อยส่วน คนและพระเพียงยี่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นที่ทำงานให้เกิดผลแปดสิบเปอร์ซแปสิบเปอร์เซนของผลงานในรอบปีมาจากคนเพียงยี่สิบเปอร์เซ็นครับส่วนอีกแปดสิบเปอร์เซ็นนี่เช้าเอนเพตนอนครับไปใช้มันมันก็ทำงานรวมกันแล้วได้ยี่สิบแต่เป็นคณะปูลกะครับเอาไว้นั่งอันดับ จริงหรือไม่จริงพี่น้องอา้าวหกสมผาด้วยกันอะ่ะและท่านยจะไปบสถ์ท่านเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเละผมเป็นอธิการมหาจุฬา อ, อย่างนี้แหละในมหาจุฬาเนอ่ยเป็นนักเทศก็อย่างนี้มีนักเทศร้อยเปอร์เซ็นเน่ะไอ้ที่แปดสิบปอร์ซ็นต์ของการเผยแผ่มันมาจากพระนักเทศยี่สิบเอร์เซ็นต์่ยมีเทศเก่งองค์เดียวในจังหวัดน่ยใช้เกือบตายอะ่ะ <laughs> เมื่อไรเมื่อไหรก็เห็นได้องค์นี้แหละเทศอะ่ะ ใช่ไหมล่ะฉะนั้นกลับมาเรื่องเจดีครับเวลาท่านจะทำอะไรเนี่ยนะครับท่านคิดดูผลงานร้อยเอร์เซ็นตเนี่ยที่ท่านเป็นเ จ, จ้าวาดกรณีเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอรกระตามท่านทำร้อยเปอร์เซ็นตแต่ที่มันเข้าตากรรมการเน่ะ เวลาเขาจะเลื่อนสมรรศักิ์เขาคิดถึงเราเนี่ยมันมาจากไอ้ยี่ไอ้ยี่สิเปอร์เซ็นที่เราทำนะครับแต่มันให้ผลแปดสิบนึกออกอย่างครับผมยกตัวอย่างนักร้องดีกว่านักร้องนะครับมันร้องเพลงอัดเสียงร้อยร้อยเพลงแต่ที่มันได้เงินได้ทองเป็นกอบเป็นกรรมแล้วดังไปตลอดชีพมันคือยี่สบเปอร์เ็นของร้อยอ น, นั่นแหละ 80% ของรายได้ชื่อเสียงมันมาจาก 20% เอร์ซของเพลงที่มันร้องส่วนไอ้ที่อัดแผน่นแปดสิบเอร์เซของเพลงน่นะครับให้เงินให้ชื่อเสียงเพียงยี่สิบถ้าท่านเป็นพระธรรมทูตนะครับท่านเทศร้อยเรื่องเนี่ยนะครับไอ้ที่คนที่หมดบ่อยๆซ้ำๆเนี่ยมันแค่ยีสิบเรื่องนะท่านเตรียมให้ดีเถอะเดี๋ยวมากระมาอีกแล้วไอ้นี้ฐานเดิมนี่แหละ ผมพูดเรื่องหลักการเผยแผ่นี่มาจนหลับตาพูดได้แล้วท่านไม่เห็นเขานี่มุนเรื่องอื่นเลยวัดปากน้ําเนี่ยเนี่ยเฮ้ยไหมอนี่มุนที่ไรก็ไอเผยแผ่อยู่นี่เลยแล้วผมจะต้องไปคิดอะไรมากมายนะครับมาที่นี่นี่ยเพราะอะไรครับเพราะเขามองว่าเออองค์นี้พูดเขาท่าในเรื่องเผยแผ่ทั้งทั้ที่ผมก็พูดเรื่องอื่นเป็นนี่แหละ ไอ้ยี่สิบเอร์เซ็นต์ของเรื่องที่เราเทศที่เราพูดเขานยที่มลประจําเนี่ยแล้วมันให้กันเทศแปดสิบเอร์ซ็นทั้งปีเนี่ยมันมาจากยี่สิบท่าหล่ท่านท่านอย่าไปเตรียมมันร้อยเรื่องพันเรื่องเลยไอ้ที่ขึ้นเทศเนี่ยเตรียมมันแค่นี้แหละมันไม่กี่งานหรอกท่องเอาก็ได้มันไม่เกิดไปกว่านี้หรอกไอ้ที่งา น, ท, ง ท, านงทั้งปีเนี่ยท่านลองไปสํารวจสิเดทั้งปีเนี่ยเขาที่มลอะไร <Okay. S 1> ใช่ไหม ท่านก็โอยรับตาพูดจนได้แล้วฉะนั้นไม่ใช่เรื่องยากครับท่านลองดูสถิติของตัวเองว่าความสำเร็จในฐานะนักเทศนักเผยแผ่เนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นของชื่อเสียงการเทศมันมาจากเรื่องกี่เปอร์เซ็นต์ที่เราพูดงานกี่ประเภท บางทีอยากจะฝึกธรรมาสนะขืนคมภีร์มันโก้ดีเขาไม่นิมนต์หรอกท่านองค์นี้เทศพไปเรื่อยๆเอาไปบรรยายกิจการไปสอนนักเรียนเน่ะท่านก็ทําให้มันดีก่อนไตธรรมะเตี้ยก่อนสิเขามองว่าเราบรรยายดีก็ทําให้มันดีพอเก่งแล้วค่อยขึ้นธรรมาะแข่งกับเจ้าคณะอำเภอแต่ก่อนเนี่ยคนไม่ได้มองว่าผมเป็นนักเทศนะครับ เขาว่าผมเป็นนักพูดนักบรรยายผมก็เทศในวัดผมก่อนพอเทศได้เรื่องแล้วครับผมพิมพ์เลยครับไอที่ผมเทศเนี่ยหกสิบกัลห้าสิบเจ็ดกั น, 5, กนเล่มใหญ่ๆเนี่ยแจกไปทั่วสิครับหูตั้งแต่นั้นเลยรับเทศไมวัดไม่ไหวเลยครับเขารู้ว่าผมเป็นนักเทศเลยครับรายได้ดีกว่าบรรยายด้วยครับมีโยมฟังหรือเปล่าเนาพูดกันภายในอะเนาะ เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายตับมาเรื่องเจดียอีกมันจะจบหรือเปล่าดูวันนี้เอไ อ, เ อ, เอ้เรื่องเจดียเรื่องเดียวเลยนะแนวคิดสยครับแนวคิดว่าผลงานทั้งหมดที่เราทำร้อยเปอร์ซนเพียงยี่สิบเปอร์ซ็นตที่นั้นนะ่ที่ให้ผลแปดสิบและไอ้ที่ให้ผลแปดสิบเนี่ย มันทำให้เข้าตากรรมการท่านเจ้าคณะจังหวัดก็เห็นเจ้าคณะอำเภอก็เห็นแล้วมันทำให้เราได้ตำแหนง่งได้เลื่อนยศได้เลื่อนสักครับไอ้ที่เราทำเกือบตายเยอแยะหมดแปดสิเปอร์ซครับใครเห็นบ้างไม่เห็นแล้วท่านอย่าไปว่าไอ้พวกที่เขาทำแค่ยี่สิบได้ผลแปดสิบว่าไอ้พวกผักชีก็เขาเก่งกว่าเราเนะ่ เขารู้ว่างานไหนมันเข้าตากรรมการงานไหนมันไม่เข้าท่านต้องมองให้เป็นอา้าวตรงกันข้ามปัญหามีร้อยเรื่องแต่ไอ้เรื่องไหนแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นตแต่เสียหายแปดสิบกับไอ้เรื่องไหนเสียหายโดนฟ้องแปดสิเปอร์เซ็นแต่ว่ามันเสียหายยี่สิบท่านจะแก้อันไหนก่อนครับ ท่านต้องไปแก้ยี่สิบที่มันเสียหายแปดสิบเช่นอะไรครับผมยกตัวอย่างเขาเรื่องแล้ะกุฏิพังสิบหลังยังสู้เจดีพังหลังเดียวไม่ได้ท่านเพราะมันสูงโครมเดียวเท่านั้นแหละหายวับไปกับตานี่แบนแต่แต่นะครับแต่กุฏิเตียเต้ยๆนะชั้นเดียวให้มันพังไปเถอะคนมันไม่ขึ้นหน้าหนึ่ง พระธาตุพระนมพังองค์เดียวเท่านั้นเหะครับสะเทือนไปทั้งอังอีสานใช่ไหมในวัดของท่านก็เหมือนกันปัญหาอะไรในตำบลของท่านเรื่องอื่นนะที่พระผู้ใหญ่ไม่ได้สนใจท่านไม่ต้องไปตรวจมา ก, กปัญหามันมีแต่เรื่องไหนบางทีเนี่ยนะครับท่านบ่นแล้วบ่นอีก ทำไมไปทำนิดเดียวนั่นนะครับทำให้ไม่ได้ผุดได้เกิดก็เยอะแยะเช่นอะไรครับไม่ได้เป็นอุปชาแต่บางอาจไปบวชเนรนนะครับสงเคราะห์ชาวเขาบวชมันซะหน่อยถ่ายรูป ก, ก้เลยครับนี่คือยี่สิบแต่เสียหายเกือบร้อยเปอร์เนนึงครับเห็นไหมทําททำไมอ่ะได้ก็ไม่กี่บาทไม่คุ้ม เพราะฉะนั้นท่านต้องพิจารณาอ้าวกามาเลื่อนเจดีย์ต่นนี้เขาเลือกแน่ <c oughs> ผมอาจจะสร้างอย่างอื่นเยอะแยะในวัดแต่คนไม่เห็นแต่ถ้าผมซ่อมเจดีย์นะครับคนมันจะเห็นมันคือยี่สบอร์ซที่ผมทำในงานในวัดทั้งหมดแต่ได้ผลแ0สิบครับ ผมก็เลือกเอาเจดีย์นี่แหละผมจะหารซ่อมก่อนและผมก็รู้ว่าทำไมอดีตเจ้าว่าสิบสามรูปไม่ยอมทำซ่อมเจดีย์มันแพงที่สุดครับใช้เงินเยอะที่สุดเมื่อสิบปีที่แล้วก็ประมาณสามสิบี่สิบล้านบาทผมถึงบางอ้อมันยากมันแพงผมก็ประกาศเลยครับ ผมจะซ่อมเจดีย์ผมมาเล่าที่นี่ก็ต้องอ้างอิงเพื่อนกันพระพรหมโมลีก็ไปเตือนท่านเจ้าคุนมันมีเจ้าอาวาสใหม่ที่ไหนแล้วก็ทําเรื่องใหญ่เขาไม่ซ่อมก็หลอกเจดีย์นี่มันใหญ่มันแพงเขาซ่อมกุฏิเล็กๆสะพานทําอะไรไปก่อนบรารมีถึงแล้วค่อยทําของใหญ่ท่านพูดถูกนะ บารมีถึงแล้วค่อยมาทำเจดีมันก็จริงเนาะจะเอาว่าโองค์ก่อนก็เลยสะสมบารมีจนมรณภาพไปทุกแต่ละองค์ไม่ได้ซ้อมท่านผมผมก็เลยเอาล่ะผมไม่ได้คิดอย่างนั้นผมคิดว่ายังอื่นพังเนี่ยมันไม่เสียหายร้ายแรงเท่ากับเจดีพัง บังเอิญว่าเจ้าวาดองคก์กรโชคดีที่ไม่พังในสมัยท่านเกิดมันมาพังในสมัยผมล่ะครับผมก็เลยกัดฟันครับซ่อมเจดีย์ครับสามสิบล้านปีแรกที่ผมเรียรัยนะครับจัดงานสงกรานสามสิบกว่าล้านโยบริจาค ก, กันหน่อยช่วยซ่อมเจดีย์หน่อยได้มาตั้งสามแสนนะท่าน นี่เรื่องจริงครับสามแสนนี่สิบปีละมั้งจนป่านนี้นะถ้านับกันมาเนี่ยยังทำอะไรไม่ได้นี่ครับฉะนั้นเราก็ผมผมมีวิธีคิดของผมอีกนะครับเขาเรียกว่าวิธีบริหารจัดการที่วิเคราะห์ตัวเอง ก่อนที่เราจะทำอะไรนี่ครับผมใช้เกณฑ์อันนี้ในการบริหารจัด ก, การคือปรับแผนของผมเว <c oughs> ลาที่ผมขอดูก่อนเวลาที่ท่านทำอะไรก็ตามนะครับท่านลองดูว่า ท่านมีจุดแข็งตรงไหนทำตรงนั้นก่อนก็ได้ท่านวิเคราะห์สถานการณ์สมมุติว่าท่านจะเผยแผ่ถามว่าตัวเองเนี่ยมีจุดเด่นตรงไหนทำไม่ที่เราถนัดท่านถนัดในทางเทศขึ้นธรรมะถนัดในการบรรยายในการสอนนักเรียนหรืออะไรก็ตามหาจุดเด่นให้เจอก่อน เขาเรียก Strength แล้วที่ท่านจะซ่อมเจดีอย่างผมเนี่ยจุดด้อยคือปัญหามาอยู่ตรงไหนที่ทำให้เราทำไม่ได้เราวิเคราะห์แล้วก็เทียบกันระหว่างจุดเด่นคือความพร้อมจุดด้อยคือความไม่พร้อมในตัวเรานะครับเรามีแค่ไหนผมยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าผมจะซ่อมเจดีจุดเด่นคือ ผมมีฝ่ายสนับสนุนผมคือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าราดกระบังครับเขาออกแบบให้หมดเลยแล้วขออนุญาตกรมศิลป์ให้ด้วยเอาแบบเนี่ยเพราะมันเป็นโบราณสถานต้องขออนุญาตครับเพราะฉะนั้นกรมศิลป์พอเห็นราดกระบังเซ้นมาแล้วครับผ่านหมดแล้น โบราณสถานบางทีบางแห่งบางวัดเนี่ยนะครับซ่อมไปแล้วไปทะเลาะกรมศิลป์ครับไม่อนุญาตฉันก็จะซ่อมซ่อมมันก็ทะเลาะกันดอครับแต่ผมนี่สบายครับผมใช้นักวิชาการออกแบบให้จุดเด่นของจุดด้อยผมครับไม่มีสตังค์ครับเออผมก็รู้ละไม่มีสตังค์เอาต่อไปครับโอกาสมีไหม Opportunities เราไม่มีสตางค์แต่มีคนมาบริจาคไหมสมมติถ้ามีคนมาบริจาคบอกท่านซ่อมเลยโยมให้แต่ถ้าท่านไม่ซ่อมเอาเงินคืนเราก็ต้องรีบเอาสิครับมีโอกาสตุนิตี้และอุปสรรคเพราะท่านจะซ่อมขึ้นมา อุปสรรคคืออะไรเช่นน้ำท่วมธรรมชาตินะครับอุปสรรคมาจะมาจากข้างนอกนะครับไม่ใช่ตัวเรานะครับน้ำท่วมใหญ่ปีห้าีท่านต้องเลื่อนสมมติหรือคนมาขานพอท่านจะสร้างกติตรงนั้นตรงนี้คนมาขานเขาเรียกว่าอุปสรรคท่านก็เอาสี่อย่างเนี่มาวัด มีิวภาษาแต่ว่ามีความพร้อมมากกว่าทํายอมเสี่ยงผมเรียกว่าปรับแผนครับข้อแรกครับถ้าท่านมีความพร้อมคือจุดแข็งแล้วมีคนเอาเงินมาให้มีโอกาสมีคนมาช่วยสมนต์สมนติมมนะครับไม่มีคนเอาเงินมาให้แต่ว่ามีพระเถระ มีพระนักเทศมาอยู่วัดเราบอกโหเดี๋ยวผมจะหาเงินให้ครับอาสาครับแล้วท่านก็นอยู่เฉพาะช่วงนี้เราก็ถือว่ามีโอกาสเราไม่ได้หาเองอลังกาตรตงอลังสังวิทาตงครับใช้นักเผยแผ่ช่วยหรือมีรายการทีวีครับหลวงพ่อเดี๋ยวเราผลิตรายการทีวีอุปถรัรมภ์ท่านเพื่อระดมทุน เป็นโอกาสเราไม่ต้องจ่ายค่าเวลาครับจุดแข็งเรามีคนออกแบบมีคนออกทีวีหาทุนให้เราก็ต้องรีบทําครับผมสร้างมหาจุฬาที่วังน้อยนะครับโอกาสมาจากไหนครับโยมเอาที่84ไร่มาบริจาคสวยมากมีข้อไหมว่าท่านต้องสร้างถ้าไม่สร้างเราไม่บริจาคผมก็ต้องยอมรับปากโยมครับจะต้องสร้าง พอรับปากมาก็เป็นทุกขลาบครับลำบากลำบนครับออกทีวีใช้งบประกาศไปหนึ่งพันล้านในสมัย IMF <im <f> ทอดผ้าป่าแปด0มืนสี่พันกองครับของละหนึ่งมืนบาทกะว่าทีเดียวได้แปดร้อยล้านมาฉีกซองได้แต่แบงก์ยี่สิบท่าน <laughs> ได้มาหกล้านบาท พระผู้ใหญ่วัดมหาท่านเสวผมท่านจะคุณอธิการเป็นผมผมไม่ไปออกทีวีบอกว่าเราจะสร้างหรอกอายเขาปีหนึ่งแล้วยังไม่ได้เสาสักต้นหนึ่งเป็นผมนั้ น, นอนไม่หลับหรอกก็จริงของท่านไม่น่าสำเร็จหรอกท่านจุดแข็งจุดอ่อน มาดูเข้าด้วยกันถ้าท่านมีจุดแข็งมีโอกาสรีบทำครับเผยแพย่ก็เหมือนกันหลีกเลี่ยงหมายถึงอะไรครับท่านมีจุดแข็งแต่มีฝ่ายค้านเยอะจะสร้างแต่ต้องไปไล่ที่ชาวบ้านถึงจะได้สร้างเลื่อนไปก่อนรอไปก่อนหลีกเลี่ยงอย่าไปประทะ ท่านมีจุดอ่อนจะมีโอกาสเสี่ยงดูครับอย่างผมเนี่ยได้ที่มาแปดสิ่สี่ไร่ผมยอมเสี่ยงหาเงินครับมาสร้างและผมทำสำเร็จอะ่ะผมใช้ข้อสามครับวินจุดอ่อนกับ opportunity บวกกันมีโอกาสแต่ไม่พร้อมแต่ผมก็ทำสุดท้ายครับ พร้อมก็ไม่พร้อมพระในวัดก็ไม่ช่วยแถมคนนอกวัดก็มาค้านมาดา่านอนหลับจำวัดดีกว่าครับทำอะไรมันก็ไม่สำเร็จครับรออยู่เฉยเฉยทีนีเรื่องเจดีเนี่ยนะครับมันเป็นจุดแข็งจุดแข็งโอกาสก็มีแต่ใน จุดแข็งเนี่ยมันไม่ใช่เงินครับมันเป็นทีมสนับสนุนผมก็ลองทำดูนะครับเพราะทำดูแล้วเนี่ยครับในการในการเผยแพร่นี่แหละที่ผมบอกว่าแต่มันมีโอกาสเข้ามาเรื่อยๆครับโอกาสอะไรครับหนึ่งครับนี่คือสภาพเจดี JD ตอนนั้นนะครับ จะพังแหล่ไม่พังแหล่โอกาสนี่คือสภาพเจดีผมก็กระดากระด่างอย่างนี้แหละครับแล้วทางเข้าก็เป็นอาคารอย่างนี้พังนะครับปิดมาหกปีครับฝนล่วงใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยผมก็ทำในสิ่งที่ยี่สิบแปดสิบ คือทาสีข้างนอกก่อนครับเสียเงินล้านบาทแล้วคนก็เห็นว่าเราซ่อมเงินถูกที่สุดครับทาสีเนี่ยครับแล้วสีขาวด้วยทาสีขึ้นนั่งร้านอย่างนี้ครับเห็นไหมครับนั่งร้านเนี่ยพอจะเอานั่งนั่งร้านลงครับผมไปสีลังกาไปได้พระบรมเสียสารีนิกระธาตมาจากสีลังกาครับ จะเอาขึ้นไปบรรจุข้างบนตอนนั้นฐาสีเสร็จจะเอานั่งร้านลงผมประชุมผู้ช่วยเจ้าวาดผมมีสิบห้ารูปกับพรอารามหลวงแล้วก็กรรมการวัดว่าเราจะเอาพระารีาริกธาตุจากศีลังกาไปไว้ที่ไหนกรรมการบอกว่าเอาไว้ยอดสุดผมบอกมันมีหยดดำค้างตัวนี้สีทอง ผมบอกไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันมีบันไดลิงพวกขึ้นไปเอาเขาบอกอไว้ตรงกลางผมก็บอกหายได้เหมือนกันเขาบอกนั้นเอาไว้ในข้างในมีมอุโมงยิ่งเข้าง่ายใหญ่แล้วจะเอไว้ตรงไหนดีเถียงเันใหญ่ผมบอกโมต่ประชุมเสียงกันอย่อยางเงี้ยมันยุติไม่ได้ทางที่ดีเราปีนขึ้นไปไปประชุมกันข้างบน <laughs> <laughs> ไปประชุม มีปัญหาเกิดที่ไหนแก้ที่นั่นมีปัญหาบนยอดเจดีย์ไปดูที่ยอดเจดีย์สิผู้ช่วยผมที่อาวุโสสองรูปเจ้าคุณสององค์บอกพวกผมมันอายุแปดสิบแล้วดูเจ้าวาดยังแข็งแรงผมว่าเจ้าวาดเหมาะที่จะปีนนะครับเหมาะที่จะปีน ผมเรื่องอะไรจะ ย, ยอมเสียหน้านะครับผมต้องบอกว่าไม่มีปัญหาถ้าอาจารย์รองสาราจารย์สมศักดิ์จากราชกระบังเนี่ยกล้าปีนด้วยผมก็จะปีนดแูแก่แล้วแกไม่มีทางหรอกรแกบอกโอ้โหปีนกระเจ้าวาดได้บุญครับผมปีนแน่นอนที่ประชุม มีปฏิเป็นเอกฉันให้เจ้าวาดปีนท่านลูกวัดผมคิดดูสิสาธุกันใหญ่เลยตั้งแต่เจ้าคุณเลื่อนเนะให้เจ้าวาดปีนท่านนี่คืออกสมบัตไอ้เราจะไม่เปีนมันก็เสียหนะ้าผมก็บอกได้วันอาทิตย์นะอีกสองวันวัอาทิตย์มาแต่เช้าแปดโมงจะปีนเขาก็ไปหาทีมกันมานะเป็นช่างเป็นอะไรต่า ง, างมา แปดโมงเช้ามาที่ผมตอนนั้นผมเข้าโบสถ์ก็บอกกับทีมบอกว่าวันนี้จะรับกระถินพระราชทานบ่ายสองแปดโมงนี้จะซ้อมรับกระถินไม่ว่างทั้งวันพวกคุณปีเองเออเราก็มีทางออกนะท่านกรถินพระราชทานเจ้าวาดต้องซ้อมต้องอะไรต่างพวกนั้นพวกท่านปีนเองเขาบอกไม่ได้หรอกครับ ตั้งใจจะให้เจ้าอาวาสเป็นผู้นาอย่างน้อยให้มีพระนำหน้าผมก็เลยไปหาเลขาครับเลขากรรมการซ่อมเจดีเนี่ยท่านยังหนุ่มยังแน่นเป็นพระครับปีนหน่อยเขาจะได้มาไม่มารบกวนเจ้าอาวาสท่านปีนเองบอกเลขาผมเลขากรรมการไม่ใช่เลขาหลังอื่พระรูปนั้นก็บอกไม่ล้ครับหลวงพ่อผมจะอยู่รับกระถินตอนบ่ายครับ ผมว่าอยางั้นอีกเพื่อชีวิตผมผมขออยู่ครับตกลงก็ไม่มีใครปีนผมก็อ้อยเองซ้อมกระถินอยู่นั่นแหละครับออกมาเขายังไม่ขึ้นกันรอจเจ้าวาดครับหลวงพ่อขึ้นครับปลอดภัยมีเข็มขัดนิรภัยเออดีดีเอวงั้นถ้ามีเข็มขัดให้เข็มขัดมายาวแค่เนี้ยท่านสวมตรงนี้เส้นเหลืองๆไงนะ เอาแล้วมันไม่ได้ผูกเลยไม่หรอครับท่านปีนไปอยู่ตรงไหนท่าก็ไปผูกเอาตรงนั้นแล้วถ้ามันตกอีตอนปีนละเอากอเราหวังสีหลวงพ่อเออแล้วให้พระปีนเกาะเนี่ยนะท่านนะมีช่องแค่นี้เนี่ยเนี่ยท่านลองเห็นเนี่ยเหล็กข้างนอกเนี่ยปีนไปตามเนี้ยนะท่านเหล็กผูผูเนี่ยนะและข้างหลังมันก็นไล่เราขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อย ๆ, ๆผมก็ไม่มีทางหยุดสลยครับมาถึงตรงนี้เนี่ยห้าสิบห้าเมตรอ่ะท่าน มองจากตรงห้องนี้น่ะไปเห็นนู่นวัดพระแก้ววัดโพแม่น้ำเจ้าพยาโอ้โหทำไมมันสูงอย่างนี้ล่ะเสร็จแล้วนี่ครับนี่ที่ว่าขเข็มขัดเนี่ยนะครับมีแค่เนี้แล้วมาจันี้เรภัยอย่างไงนล่ะท่านเอ้ยไอ้เราก็เสียรู้เออถ้านลองเห็นดูสิครับนี่นี่อะไรเนี่ยเนี่ยโอ้โหวัดพระแก้วหรือไงเนี่ยนะฮะวัดโพเนี่ยเห็นหมดเลยครับ ทำหน้ายิ้มได้เลยนะครับไหนๆก็หลวมตัวไปแล้วท่านยิ้มสู้แต่ก็อดไปอธิษฐานไม่ได้แอบอธิษฐานพระเขาก็ไอช่างมันก็ถ่ายรูปคนมาถามผมอธิษฐานอะไร <c oughs> ก็อธิษฐานให้ลงโดยปลอดภัยน่ะสิ <c oughs> มันสูงเนะี่ยท่านลองดูสิเหล็กมันผูมไหมเนี่ยเนะี่ยถ้าล่วงลงมานะครับเลก ผู้ช่วยเจ้าวาดผมมาม o n i t กันหมดเลยนะ่ะว่าเจ้าวาดเพี้ยนเรื่องอะไรนะ่ะว่างหลายตําแหน่งนะครับตั้งแต่ชั้นธรรมตอนนั้นเป็นชั้นธรรมแล้วอธิการบดีเจ้าคณะภาคจเจ้าอาวาดอย่างน้อยสี่ตำแหน่งท่านคงมีคนอธิษฐานกันอยู่หรอกผมก็ต้องอธิษฐานบ้างสิเห็นไหมเสร็จแล้ว พออธิฐานเสร็จนะท่านผมก็ลงมานี่คือ พ, พระภาษาลีก็ท่ากศกสีลังกาที่เราเก็บรอไว้จะไว้ข้างบนนั่นแหละครับ <k> ผมก็นัดประชุมคืนนั้นเลยครับผู้ช่วยเจ้าวาดชุดเดิมกรรมการชุดเดิมบอกว่าไม่ต้องเอาพระธาตุแจกสีลังก า, าขึ้นมาไว้ข้างบนทําไมละ่ะข้างบนเนี่ยมีพระธาตุอยู่แล้ว โบราณอาจารย์ บ, บุรพ า, าจารย์ท่านบรรจุไว้แล้วแต่อยู่ตรงไหนผมไม่รู้รู้แต่ว่ามันมีผู้ช่วยผมบอกไม่มีหรอกเราอยู่กันมาจานอายุแปดสิบแล้วไม่มีเจ้าว่าดรู้ได้ไงว่ามีใครไม่เชื่อว่ามีไม่ใครไม่เชื่อว่ามีโปรดปีนแล้วจะรู้ว่ามีปีเรงเพราะพอผมอธิษฐานเนี่ยนะครับ เหมือนอะไรโดนใจผมนะท่านเพราะมีครับมีพระธาตุตอนอยู่ข้างล่างมาสามสิบปีไม่เคยคิดว่ามีเลยท่านนะเพราะขึ้นไปข้างบนนี่เหมือนสื่อกันอนะ่ะเอออันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะท่านท่านจะไปปีนสมงเด่นนะ <laughs> เดี๋ยวจะว่าง <laughs> ตำแหน่งว่าง <laughs> ผมก็เลยบอกว่าใครไม่เชื่อโปรดปีน เชื่อกันทุกคนเลยครับถ้างั้นสำรวจเลยนะว่าซ่อนอยู่ตรงไหนเพราะประวัติของวัดเขียนว่าเชื่อกันว่ามีพระสารีกิัิธาตุบรรจุอยู่แต่เราไม่รู้อยู่ตรงไหนนึกว่าหายหมดแล้วผมบอกต้องมีเขาถึงเขียนอย่างนี้เขาเชื่อว่ามีเขาเขียนว่าเชื่ออีกสามวันต่อมาเราส่งทีมพระห้าลูกคารวะห้าคนเนี่ยปีนขึ้นไปครับไปสารวจ ผมถือโทรศัพท์มือถือไว้บัญชาการข้างบนพระที่ไปหนึ่งในห้าก็ถือโทรศัพท์มือถือครับให้เคาะตรงไหนปูปูเจาะเลยเพราะตอนนั้นกำลังทาสีขาวเนี่ยเราเจาะแล้วเราก็ ช, า, ชาปูนทานสีขาวมันก็จะไม่มีตำหนิเลยมันอยู่ระหว่างซ่อมอนุญาตเขาก็เจาะไปประมาณเกือบสิบจุดท่านตันหมดเลยไม่มีเลย พอสักห้าจุดนไอคนที่มามุงดูอยู่เนี่ยเชียร์เนี่ยหายไปวับไปกับตาจะอาวาดเพี้ยนท่านเชื่อได้ยังไงว่ามีไม่มีไปหมดเลยท่านเหลือแต่พระที่ถือโทรศัพท์เป็นเพื่อนผมนั่นแหละตอนนั้นผมหมดแรงโทรแล้วครับอยู่กันสององค์ครับจนห้าโมงเย็นตอนนั้นสมัยนั้นมันหน้าหนาวนะ ข้างบนเอาก็โทรมาหลวงพ่อครับขอลงครับไม่เจอผมก็นึกในใจถ้าให้ลงนะพระทั้งวัดต้องว่าผมเพี้ยนถ้าผมคิดเลยนะเขา อ, อกสมพานนะเชื่อได้ยังไงว่ามีแล้วไปเอจาะพลุนไปหมดดีไม่ดีกรมศิลจะหาว่าผมเพี้ยนอีกยังไม่สำคัญเท่ากับว่า ถ้าบาังเอิญมีแล้วเราเลิกกลางคันก็จะไม่เจอไปตลอดชาติเพราะขนาดเพราะธรรมโกษาจารย์ตอนนั้นเป็นธรรมโกษาจารย์หากันยังไม่เจอแสดงว่าไม่มีแล้วถ้ามันมีละ่ะระหว่างความสําเร็จกับความล้มเหลวเนี่ยมันอยู่นิดเดียวนะท่านเนะี่เส้นแบ่งเนี่ยผมก็คิดในใจถ้าเกิดมีแล้วผมไม่เจอทําไงก็จะไม่เจอกันไปตลอด ผมก็เลยบอกท่านบอกพระข้างบนต่ออีกนิดเถอะนะท่านก็หากันไปอีกสิบห้านาทนะีแล้วก็โทรมาขอลงครับมืดแล้วครับไม่มีหรอกครับผมก็บอกอีกนิดเถอะนะเขาก็หากันไปอีกสองนิดแล้วนะผมก็นั่งคิดว่าถ้าเขาโทรมาแล้วก็ขอลงเราจะว่ายังไงตะดที่ย้ำปีอนะ ถ้าสามครั้งแล้วยังไม่เจอนี่มันจะไม่มีจะตุดถ้ำปีแลวท่านนะพระพุทธเจ้าห้ามอย่างมากแค่สามครั้งแค่นั้นแหละผมก็เริ่มถอดใจนะครับกำลังคิดว่าเอาแล้วถ้าเขาขอลงเพราะว่าตอนนั้นไฟมันเริ่มติดล่ะมันมืดล่ะท่านก็สามโมงครึ่งประมาณนั้นห้าโมงครึ่งแล้วท่านก็โทรมาครั้งที่สาม ผมก็กําลังจะตัดสินใจอยู่พระก็บอกว่าพอผมรับสายพระก็บอกว่าหลวงพ่อเจอแล้วครับโอโ้ท่านเจอแล้วเป็นยังไงก็ถามท่านเจาะไปเป็นช่องท่านเห็นโพรงข้างในซองไฟเห็นเสียรพระผมบอกท่านอย่างนั้นท่านไม่ต้องเจาะต่อนะครับเดี๋ยวเจ้าว่าจะขึ้นไปบัญชาเองบัญชาการเองแป๊บเดียวผมขึ้นไปถึงเลยครับ เป็นห้องลับครับชาปูนข้างในอย่างดีพร้อมกับสร้างเจดีมาร้อยแปดสิบปีมีอิดสองชั้นปิดชาปูนไม่มีทางรู้ว่ามีเลยครับมันสีขาวทั้งองค์เจาะไปเนี่ยสองเห็นเศียรพระครับผมก็ให้แกะเพราะมันมีนั่งร้านผมก็นั่งอยู่้ให้พระเขาแกะเอาอิดออกสูงตั้งสามศอกนะครับ และพอเปิดหมดผมก็ถ่ายภาพก่อนก่อนที่จะเจาของลงครับนี่ครับภาพนี่ครับนี่ห้องเขาฉาบปูอย่างดีไหมครับนี่นี่คือกระดานชนวนที่เขาบันทึกว่าบรรจุไว้เมื่อไรครับกรอบไม้ผุหมดแล้วครับมันมืดเรามองไม่เห็นพอถ่ายภาพเราจึงเห็นอันนี้คืออูบครับเครื่องจักสารแบบสมัยก่อนนะครับ มีพระสาลีดิกธาตุอยู่ข้างในนี่คือเศียรพระองค์นี้ที่เราเห็นครับแล้วในภายในนี้เนี่ยครับมีพระทองคําพระเงินพระนาคสามองค์ล้อมพระสาลีดิกธาตุครับมีบาทอยู่ข้างๆด้วยบาทลูกนี้พอผมใบนี้พอผมเอามาแตกเป็นเสี่ยงๆหมดเลยข้างในมีพระเครื่องเต็มหมดนี่ครับพระสาลีดิกธาตุครับบรรจุในแผ่นทองครับอยู่ตรงนี้ จุดที่เราพบคือตรงนี้ครับขอโทษ น, นี่พบภาษาลีนิกธาพบของมีค่าเยอะรวมแล้วเป็นพันชิน้นหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวกรุแตกกรุวัดแตกวัดดังกลางกรุงท่านทุกฉบับเลยคนเห่กันมาจะเช่าท่านทีวีทุกช่อง มาถ่ายทำลุ้มกันมาแล้วทีนี้ครับเศรษฐีก็มาแล้วเพราะว่าเวลาออกข่าวนี่เลตติ้งราคาขึ้นนันดีนะท่านเราไม่ต้องโฆษณาเลยเพราะฉะนั้นเขาประมูลเนี่ยซื้อเท่าไหร่ก็ได้เวลาวัดไหนกรูกแตกมักจะหายไปหมดผมประกาศผมบอกผมนึกในใจนะครับวัดผมเป็นวัดเผยแผ่ผมจะไม่ให้ใครเช่าบูชา จะเอาไว้สอนธรรมะนึกออกกันพระเครื่องเหล่านี้ของมีค่าเหล่านี้เป็นสื่อในการสอนไม่ใช่ในการหาสตางผมจึงประกาศทีวีและหนังสือพิมพ์ว่านี่คือมรดกของชาติสมบัติของพระศาสนาไม่ให้เช่าบูชาเราจะเก็บไว้ทาพิธภัณฑ์ ให้คนทั่วโลกมาศึกษาและเราจะสอนธรรมะเมื่อเขามาเศรษฐีอย่างพวกคุณเช่าไปคุณก็เอาไปเก็บไว้ดูคนเดียวแต่ถ้าอยู่ที่นี่คนทั่วโลกมากราบมาไหวเราไม่ให้ยิ่งครับตังก็ไม่มีครับเขาก็ถามผมว่าแล้วท่านจะเอาที่ไหนทําพิธภัณฑ์ผมบอกหลังนี้ไง ก็ดูนี่อยู่ทางเข้าเจดีพอดีนี่หกปีแล้วไม่ได้ใช้สังคามาร่วมฝนเจิง่งคุณช่วยกันซ่อมบอกชาวบ้านใช้เงินแค่หกล้านเองเนี่ยตอนนั้นสักร้านก็ยังไม่มีเลยซ่อมอันนี้ให้เสร็จแล้วเราจะเก็บของให้คุณดูเป็นพิธพันเชื่อไหมท่านคนแห่กันมาบริจาคครับเพราะอยากจะดูของนี่แหละทาสีจะดีเสร็จปั๊บซ่อมอันนี้เสร็จหมดไปเกือบสิบล้านบาท จากไม่มีสตังค์นะท่านคนมาบริจาคอาคารเมื่อกี้ครับสำเร็จเป็นหลังนี้ครับสวยไหมล่ะเหมือนของเดิมเป๊ะเลยเป็นหอสมุดประชาชนแห่งแรกในประเทศไทยเราไม่มีปัญญาซ่อมแต่ออกอุบายว่าจะทำวิทยุส์พันนะท่านถ้าช่วยซ่อมเสร็จนะหาเงินกันมาบริจาคเราจะให้ดูของมีค่าคนก็แห่กันมาซ่อมนี่ครับเจดีทาสีเสร็จซ่อมอะไรเสร็จ ทั้งหมดเกือบสิบล้านนี่ตรงนี้ครับสมเด็จพระเทพพระรัตนชุดาสเสด็จมาอัญเชิญพระสาลีท่ตนมีเก้าองค์ครับห้าองค์กลับวิธีเดิมนอกนั้นเอาไว้ในพิธภัณฑ์ครับพิธภัณฑ์นี่ชื่อพิธภัณฑ์ครับทรงเปิดป้ายด้วยไปอยูบ่บรรดาคารในพิพิภัณนพะนี่ครับเยอะมากครับมีพระทองคำด้วยพระทองคำนี่ไม่ได้ของเดิมนะครับ พระทองคําอง์เล็กแต่ว่าอันนี้เนี่ยสูงเป็นคืบเจ้าของได้มาจากกลุนาคามเป็นพันปีนะครับส่วนมากเราจะเห็นแต่เป็นดินเผานี่เป็นทองคําผมบอกว่าก่อนคุณบริจาคนะเขาบอกว่าผมเก็บไว้สิปีแล้วครับเครียดครับกลัวโจรปล้นจะหลอมขายก็กลัวบาป ม, มาถวายท่านเฝ้าแทน <S <S <S <S ผมก็บอกไหนจะให้จะมาเฝ้าแล้วนะอย่าให้เครียดฟรีนะทองคําแท้หรือเปล่า ไม่ใช่เอาทองชุบมาให้เฝ้านะยิงอีกนะท่านขอให้ร้านร้านทองภารัฐตรวจได้ไหมได้เพราะฉะนั้นท่านทําอย่างนี้นะถ้าใครเอาทองพระทองคํามานะไปให้ร้านทองครับเขาจะขีดนิดเดียวแล้วเอาเ ล, เ, ลเซอร์ยิงครับมันจะปริ้นออกมาครับว่าพระองค์นี้ทองกี่เปอร์เซ็นต์เหล็กกี่เปอร์เซ็นต์นาคกี่เปอร์เซ็นต์พระของพระองค์นี้ทองคำเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นท่านที่เห็นเนี่ยแล้วก็มีสามองค์ท่าน แล้วก็ยังมีพระทองคำอื่นอีกอยู่ในพิธภัณฑ์ผมก็เลยได้จุดนี้นะเป็นจุดขายครับเขาเรียกว่า u อกาสใช่ไหมตัวโอเนี่ยมันมาเองแต่ว่าท่านต้องปีจะดีก่อนทีนี้โอกาสมาพลึบเลยท่านใครก็อยากมาช่วยซ่อมใครก็อยากจะมา ผมคิดถูกที่ผมไม่ปล่อยเนี่ยตรงนี้ตัดความโลภเอาไว้อย่างเงี้ยก็ให้เป็นคนเห็นใจมาช่วยกันซ่อมช่วยกันบริจาคสามสิบสี่สิบล้านบาทมาเองเลยท่านแต่เราต้องใจแข็งไม่ยอมในที่สุดผมก็เหลือทั้งของมีค่าทั้งหมดแล้วก็ซ่อมเจดีซ่อมพิพิธภัณฑ์อะไรเสร็จเรียบร้อยครับทาสีนี่ครับเดี๋ยวนี้นะครับ การท่องเที่ยวก็ม า, มาส่องไฟให้เราฟรีครับเป็นแลนด์มาร์คของกรุงเทพใครล่องเรือนะโอ้ยสีขาวสวยแล้วเจดีผมเนี่ยนะครับมันมีแกนกลางที่แพงคือตรงนี้ครับหักหักในตรงโคนนะครับผมตั้งดังเดิมมันมีขั้นตอนเยอะผมไม่เล่าสรุปแล้วผมได้รางวัลยอดเยี่ยมจากยูเนสโกครับยูเนสโกมาให้รางวัลอันดับหนึ่ง ตรงที่แกนกลางพระเจดีครับได้รได้ตรายูเนสโกมาแปะข้างหน้าครับนี่ยูเนสโกครับอวอร์ดอเวกเซเลนต์ครับคันทรอลเฮอริเทจยูเนสโกครับและมีชื่อเจดีบรมธาตุมหาเจดีด้วยครับเจ้าของคือใครครับพระพรหมบัิตตอนนั้นเป็นอะไรพระพรหมบัณฑิตแล้วครับเมื่อส5 56นาดังไปทั่วโลกครับต่างประเทศอยากจะมาดูมันได้ไปได้ยังไง ประเทศไทยนะครับตั้งแต่ซอมมาไม่เคยได้รางวัลที่หนึ่งเลยครับได้แต่อันดับสามอันดับสามอันดับสองก็ไม่เคยได้เก้ารางวัลหรือสิบรางวัลที่ประเทศไทยได้มาเนี่ยจากยู e นสโกมีอันดับสามกับชมเชยเป็นครั้งแรกนะครับที่ประเทศไทยได้อันดับหนึ่งและเป็นเจดีที่ผมปีนเนี่ยละท่าน <S <S คุ้มุครับยี่สิบเปอร์ซ็นที่ว่าเราทำเนี่ยนะมันไปทั่วโลกนะท่าน แต่ต้องรอดนะครับฉะนั้นเดี๋ยวนี้วัดผมนะครับท่านไปไปวัดไปยุ่งไม่ว่าจะโบสไม่ว่าหลังจากผมทำเจดีเสร็จนะครับเขาหมอสี่สิบล้านโบสอีกยี่สิบล้านวิหารอีกยี่สิบสามสิบล้านบาทศาลาอีกเป็นสิบล้านซ่อมนี่ยนะครับมาเองมาเลยท่าน ผมเลยสบายเดี๋ยวนี้ออกเทศเหมือนเดิมไม่ต้องสะสมพาละเพราะจุดนี้นครับเป็นจุดเปลี่ยนเขาเรียกโอกาสท่านพอเขาเห็นว่าเราไม่โลภขนาดของมีค่าเราจะเก็บไว้โยมก็บอกองค์นี้นี่ทำจริงนะไม่ได้เพื่อประโยชน์ส่วนตนศนระัทธาครับทางจิตวิญญาณเนี่ยท่านจะมาโกงทำไมถ้าเราบริจาคขนาดเต็มพิธพันเน่พระทองคำ ถ้ารู้ไม่แค่องค์เดียวนี่ราคาเท่าไหร่ตอนหลังโยมเอามาบริจาคครับเป็นพระนาคปลกครับสูงร้อยห้าสิบเซนพระนาคปลกองค์นี้เพิ่งเอามาเมื่อสามปีครับบายนของขอมครับมีเฉพาะในพิธภัณฑ์เท่านั้นวัด ต, ต่างๆไม่มีครับหม่อมปริมบุญนาคครับเอามาถวายเป็นของพระองค์เจ้าพานุพันยุคนองคชายใหญ่ระโว่ประปยนตนระ์ะ บอกถ้าเอาไว้เดี๋ยวลูกหลานขายฝรังหมดพระวัดประยูนยแน่ไม่ยอมขายยกให้มาเฝ้าอยู่ทุกวันนี้ท่านผมเลยเป็นปู่โสมครับนี่คือสาธรูปการที่ทำเพื่อการเผยแผ่แล้วผมก็จะตั้งพระนี่นะครับบรรยายเหมือนสวนโมกเลยครับใครมาต้องบรรยายธรรมะวันที่สิบหกมิถุนายนที่จะถึงครับ รองนายยกครับธนศักดิ์เนี่ยปฏิกรประมาณนัดผมเลยว่าท่านว่างวันไหนผมจะยกคณะมาเยี่ยมวัดท่านจริงๆจะมาเดินพุทธาบอกผมไม่ว่างผมจะไปต่างประเทศผมจะว่างวันที่16บหกพิถุนาเขายอมเลื่อนครับรกรมศาสนาเพื่อวันที่ผมว่างจะมาเยี่ยมชุมชนและมาดูพิพิธภัณฑ์ที่ผมโม้ไว้นี่แหละครับยกคณะมามดเลยกระทรวงอ่ะรองนายยกก็ดีกระทรวงวัฒนธรรมก็าตามจะมา ขนาดรองนายกยังมาเพื่อจะมาดูวิธีทํางานผมอะ่ะท่านและพวกท่านอยู่กันทําไมไม่ไปดูบ้างฮะพวกนี้อยู่ท่านไปดูเลยไอ้ที่ผมพูดมาเนี่ยแกนกลางทําไมมาได้รางวัลยูเนสโกวัดอรุณก็ไปดูครับซ่อมยังไงใจดีเล็กกวัดอรุณนี่อยู่ติดกันเนี่ยเนี่ยได้รางวัลยูเนสโกวัดอรุณกำลังซ่อมจเจ้ามั่ง ไปดูสะครับนี่คือเผยแผ่ทําให้วัดเล็กๆเนี่ยนะครับไปทั่วโลกครับจากสารูปการก็เป็นเผยแผ่นะครับครับหมดเวลาแล้วครับผมยังได้ไม่กี่เรื่องนะเอาเท่านี้นะ <c oughs> <c oughs> ผมผมสรุปวันนี้นะครับงานคณะสงฆ์แม้จะมีเผยแผ่ก็จริง <c oughs> ผมพูดได้ประเดน็นเดียวเท่านั้นแหละครับยังมีตั้งหลายประเดน็นที่ผมตั้งไว้ ผมสรุปประเด็นที่ผมพูดนะท่านเห็นไหมผมเตียมไว้พูดเยอะน่แต่เขาให้เวลาแค่นี้ผมก็เอาใค่แค่นี้แหละครับนี่ผมพูดได้ประเด็นเดียวเองครับว่าท่านอย่าไปนึกว่าท่านต้องขึ้นธรรมาเทศเท่านั้นท่านจึงจะเผยแผ่ในฐานปะปรมทูตปกครองดีมันก็เผยแผ่สาธาศึกษาเมื่อกี้ผมพูดเรื่องทุนการศึกษาประเด็กชาวดอยก็เผยแผ่ศึกษาสมคราะองไง และผมเพิ่งบอกว่าสารุประการมันก็คือเผยแผ่ยังไม่ได้พูดสารหสมเคราะห์เลยยังไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยครับหมดเวลาแล้วนะเอาไปว่าฟังจากองค์อื่นก็แล้วกันนะสรุปแล้วเผยแผ่ทั้งสิ้นครับโดยตรงหรือโดยอ้อมไปต่างแล้วพอคนเข้าวัดนะครับท่านอย่าไปให้เขามาเก็บอะไรค่าชมวัดไม่นะครับให้เขาฟังธรรมะบรรยายธรรมแล้วเขาจะศรัทธาเขาจะทำบุญเอง พราะเขาเชื่อมั่นเขาศรัทธาเนี่ยครับท่านจะเอาอะไรแค่ผมแสดงว่าผมไม่โลภผมทำพิพนธภัณฑ์เท่านั้นแหละครับมาช่วยกันหมดเลยเป็นรอยร้อยล้านนะครับโดยที่ผมไม่ต้องทำอะไรนะเป็นแต่เพียงเราแสดงถึงทำจริงเพราะฉะนั้นผมก็ทำแบบไหนทำจากที่ผมทำมหาจุลานั่นแหละครับผมสร้างมหาจุลาเป็นพันล้านเป็นพันล้านอย่างไรผมทาที่นี่ก็ทาอย่างนั้น <c oughs> ก็เผยแผ่เท่านั้นแหละครับ และผมไม่ได้เผยแผ่ด้วยสานุปการอย่างเดียวครับเป็นเครื่องมือเอาคนเข้าวัดและผมเทศท่านคงไม่ต้องสงสัยนะครับวัดประยูนอบรมนักเทศมา20สิบกว่าปีแล้ววัดประยูนจัดอบรมนักเทศห น, หนึ่งหนึ่งหลักหลักสูตรครับของมหาจุฬาเนี่ยปทศสวิชาการเทศนาเป็นหลักสูตรหนึ่งปีจัดมา3ามสี่รุ่นในพรรษาอบรม3เดือนครับสามรอกว่ารูปทุกปีครับนี่คือวิธีการเทศถ้าท่านอยากจะฝึกไปที่นั่นครับฟรีหมดครับ เพียงแต่อย่าขาดแล้วก็ฝึกและขอให้ท่านเห็นว่าเทศเป็นเท่านั้นแหละครับท่านจะเอาอะไรให้ธรรมทานแก่เขาท่านก็จะสะดวกสบายในการปกครองในการศึกษาในการธนุปการาาทาร่าสุนทรราบหมดอย่างที่ผมเห็นกับตัวกัตัวผมเองก็ขอฝากว่าการเผยแผ่ท่านไม่จำเป็นจะต้องทําเองทุกอย่างสรุปสุดอีกอันหนึ่งก็คือท่านอาจจะ สั่งให้คนอื่นทําก็ได้นะครับนี่ครับที่พระพุทธเจ้าสอนเผยแผ่เองก็ได้สั่งให้คนอื่นจัด ก, การให้คเผยแผ่ก็ได้อลังสัมวิทาตุกเขาฝากเพียงเทนีครับในที่สุดนี้ก็ขออํนานาจแห่งคุณภระรีรัตนตรัยและกุศ ล, ลบารมีที่ท่านทั้งหลายได้บําเพ็ญจงมารวมกันเป็นตะบะเดชะพลวัปัจจัยอํานวยพอปวยพรให้งานพระธรรมทูตงานเผยแผ่ของท่าน บรรลุร่วงไปสมโนรถปาธนาโดยปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปรานไรทั้งปวงและทุกท่านมีความเจริญงอกงามไพบูลยิ่งขึ้นไปในพระบวรพุทธศาสนาตลอดทุกทิพารลาตรีการเทิน